ดีใจว่าโอ้มีคนรู้ตามได้แล้วถือว่าสําเร็จแล้วประสบความสําเร็จแล้วได้โสดาองค์เดียวะถือว่าสําเร็จแล้วหลังๆเทศทีหนึ่งได้พระอราหันติละพันธ์นะท่านยังไม่อุทานรุนแรงอย่างนี้เลยนะเพราะอะไรทําไมได้โสดาองค์เดียวท่านก็ปีติปราโมทมากเพราะงานของท่านเนะี่ย่างรากลงสําเร็จแล้วนะงานที่ท่านตั้งใจไว้รวมทั้งหมดนานมากนะ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 ตั้งแต่ร้อยสบแปดถึงร้อยห้าบสมีหลายตำราเถียงกันอยู่นั่นนะเยอะแยะเลยยาวงันความเพียรของท่านเนะีเฉพาะที่ได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยเสียสงขขยแสนมหากัก่อนห น, นั้นที่จะได้ปัญญานี้ยาวนานนะรวมๆแล้วประมาณนะยี่สิบประมาณยีสิงั้นความเพียรที่เนิ่นนานเนี่ยประสบความสําเร็จในวานาสันหาบูชานี่เองนะท่านประกาศธรรมะมีผู้รู้ตามได้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 เราฝึกนะฝึกไม่เอาสองอันนี้นะให้ฝึกทางสายกลางอยู่ตรงไหนเนี่ยสิ่งที่ผิดสองอันนะตึงไปก็หย่อนไปนะสิ่งที่ผิดสองอันนี้ในโลกมีแต่ตึงไปก็หย่อนไปนะคนที่ไม่ภาวนาก็หย่อนไปคนที่ตั้งใจภาวนาก็ตึงไปนะมีอย่างนี้ตลอดนี่เรามาตรงไหน ท, ที่ท่านให้ทําตรงทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนนะเป็นทางสายกลาง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 นั้นสมาทิฏิที่ท่านสอนพระกนธัญญะอะไรคือสมาทิฏิวิชาตรงข้ามกับอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้วิชาหรือตัวสมาทิทิคือความรู้รู้อะไรรู้ทุกรู้สมูทยัยรู้นิโรธรู้มัดอะไรคือทุกข์ท่านสอนไว้ชัดเจนนะขันหเป็นทุกข์รูปรธรรมนามธรรมนี้เป็นทุกข์นั้นขันห้าเป็นตัวทุกข์รูปรธรรมนามธรรมนี้เป็นตัวทุกข์